จิตที่ได้รับแสงธรรมได้ปัญญาในธรรมก็คือจิต ท, ที่เบิกบานขึ้นด้วยปัญญาและจิตนี้ก็ได้มีพระพุทธภาสิทธตรัสไว้ว่า เป็นธรรมชาติประพัดสอนที่แปลว่าผุดพองแต่เศร้าหมองไปด้วยเครื่องเศร้าหมองที่จอนเข้ามาอันเรียกว่าอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองที่จอนเข้ามาแต่ว่าจิตนี้ เมื่อได้ปฏิบัติทมจิตภาวนาคืออบรมจิตตามคำสั่งสอนของพระองค์ก็วิมุตต์หลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองที่จอนเข้ามานี้ได้เมื่อเป็นดังนี้จิต จึงกลับเป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนคือผุดพองปรากฏตามธรรมชาติของจิตจิตที่ผุดพองนี้เองเมื่อเขายืมเอาคำของดอกบัวมาใช้คือบาน ก็คือจิตที่บานและเพื่อให้ได้คำที่สลับที่ที่สละสลวยจึงจะใช้คำมาเบิกบาลก็คือจิตที่เบิกบาล น, นั่นเองเพราะฉะนั้นจิตที่ประพัทซ้อนคือผุดพองก็คือจิตที่เบิกบาล หรือจิตที่เบิกบานก็คือจิตที่ประพัดสอนผุดพองเพราะฉะนั้นทุกคนจึงควรทำความเข้าใจว่าพระจิตของพระพุทธเจ้านั้นวิมุตติหลุดพ้น จากกิเลสเครื่องสมองที่จอนเข้ามาทั้งหมดตลอดจนถึงกิเลสอย่างละเอียดที่เป็นอาสวะอนุสัยนอนจมหมักห ม, มมอยู่ในจิตทรงได้วิมุิคือความหลุดพ้นจากกิเลสเหล่านี้ทั้งสิ้น ไม่มีกิเลสเหลืออยู่แม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเป็นเหมือนดอกบัวที่เบิกบานเต็มที่แล้วด้วยต้องแสงอาทิตย์คือแสงธรรมคือปัญญาคือพระปัญญาที่ตรัสรู้ประธรรมนั่นเอง เพราะฉะนั้นจิตของพระองค์จึงเป็นจิตที่ผุดพองเต็มที่เบิกบานเต็มที่เป็นจิตที่บริสุทธิ์พองแผ่วด้วยประการทั้งปวงไม่มีเครื่องสมองเหลืออยู่แม้แต่น้อย เพราะฉะนั้นพระองค์สุนจึงทรงเป็นผู้ที่เบิกบานแล้วหากจะมีปัญหาถามว่ารู้อย่างไรว่าพระองค์มีจิตเช่นนั้นในข้อนี้ก็สาธกได้ด้วย ทำกราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าของท่านพระสาริบุตรที่ได้กราบทูลแสดงความเลื่อมใสของท่านในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นภู ตัสรู้เองโดยชอบแล้วทรงประกอบด้วยพระสัมโพธิคือพระปัญญาที่ตรัสรู้เองโดยชอบในธรรมทั้งปวงพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามท่านภาษาลิบุตรว่า ท่านประสาริบุตรได้มีความรู้ในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตติของพระองค์หรือจึงได้กล่าวเช่นนั้นท่านประสาริบุตรได้กล่าวทูลว่า ท่านไม่อาจที่จะมีความรู้เข้าถึงด้วยพระปัญญาที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้ท่านไม่อาจจะมีความรู้ได้ว่าในทรงมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุต เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ว่าโดยที่ท่านได้สะดับฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนเอาไว้โดยปริยายคือทางต่างๆท่ า, ทานได้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอน ได้เข้าถึงธรรมะที่ทรงสั่งสอนในประการที่จะพึงเข้าถึงได้ตามวิสัยของพระสาวกแม้เป็นพระอรหันต์ก็ตามแต่ว่าท่านได้มีความรู้ พดขึ้นว่าทางปฏิบัติอันจะนำให้ได้ความรัศดรหรือได้ปัญญารู้ถึงธรรมะได้นั้นย่อมมีทางเดียว เหมือนอย่างว่ามีนครหนึ่งซึ่งมีปราการคือกำแพงล้อมอยู่โดยรอบและมีประตูที่จะเข้าออกเพียงประตูเดียวและมีนายทวารบาลคือผู้รักษาประตูรักษาอยู่อย่างเข้มแข็ง ปราการคือกำแพงที่ล้อมรอบนั้นก็เป็นปราการที่มัน่นคงไม่มีช่องที่จะมีบุคคลหรือสัตว์อื่นเล็ดลอดเข้าไปสู่ภายในนคร น, นั้นได้นอกจากจะเข้าทาง ประตูแห่งนครซึ่งมีประตูเดียวนั้นเท่านั้นนี้ฉันใดความเข้าถึงความตรัสรู้หรือความรู้ในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นธรรมมาจากสุดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้นั้น ก็เข้าได้ทางมักคือมันคาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วเท่านั้นพระพุทธเจ้าเองก็ได้ทรงเข้าสู่นคร น, นี้โดยประตูนี้แม่พระสาวกทั้งหลาย ก็เข้าสู่นคร น, นี้โดยประตูนี้เท่านั้นนครนางกล่าวนี้ก็คือสัมโพธิคือความตรัสรู้เองโดยชอบหรือมรรผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าและพระอระหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติและได้เข้าถึง เพราะฉะนั้นท่านจึงได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเข้าถึงความตรัสรู้เองโดยชอบแล้วซึ่งไม่มีสมณะพรามอื่นใดได้ได สัมโพธิคือความ ต, ตรัสรู้เองโดยชอบเหมือนดงพระพุทธเจ้าและธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่ทางแห่งความเข้าถึงมรรคผลนิพพานหรือเข้าถึงสัมโพธิคือความรู้เองโดยชอบนั้นก็คือทาง ศีลทางสมาธิทางปัญญาทางบิมุดหรือทางโภกที่ยปักทียธรรมสามิบดประการนั่นเองพรุทธเจ้าจึงเป็นภูที่ทรงสมบูรณ์แล้วในคุณธรรมเหล่านี้อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นจึงทรงเป็นภูเบิกบาลแล้วหรือกล่าวใชยถ้อยคำขยายอีกว่าเป็นภูเบิกบาลแล้วในคุณธรรมทั้งหลายเต็มที่ได้ทรงมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตยอย่างสมบูรณ์ในพระองค์ หรือเมื่อแสดงโดยปริยายอื่นก็ทรงมีโพธิปักจิยธรรมสามสิบเประการบริบูรณ์อยู่แล้วในพระองค์ทรงเบิกบานแล้วในคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เต็มที่ด้วยคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เต็มที่แล้วดังนี้เพราะฉะนั้น คำนี้จึงเป็นคำที่มีความหมายได้ทั้งในทางพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและตลอดถึงในพระกรุณาคุณด้วยพระพระองค์ก็มีพระกรุณาเต็มเปี่ยมอยู่ในพระองค์ทรงเบิกบานแล้ว ด้วยพระปัญญาด้วยพระวิสุทธิและด้วยพระกรุณาอย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์จังนั้นพระพุทธคุณบทนี้จึงมีความหมายที่ลึกซึ้งและเข้าถึง กัจจะคือความจริงเป็นคำที่คนไทยเราฟังง่ายเข้าใจถึงได้ง่ายและเมื่อมีความเข้าใจในคำนี้ดีแล้วเมื่อได้ฟังคำพุทธโธ และระลึกถึงความหมายว่าภูเบิกบานแล้วภูเบิกบานแล้วด้วยคุณธรรมทั้งหลายหรือในคุณธรรมทั้งหลายเต็มที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยประการทั้งปวงจะทำให้จิตใจ บังเกิดความเอิบอิมปีติในประคุณได้โดยง่ายจิตนี้ของทุกๆคนย่อมเป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนคือผุดพองหรือว่าเบิกบานได้เหมือนอย่างดอกบัว เป็นธรรมชาติที่จะบานได้หรือดอกไม้ทั้งหลายก็เป็นธรรมชาติที่จะบานได้แต่เพราะเหตุที่ยังประกอบอยู่ด้วยกิเลสและกองทุกข์จึงทำให้จิตนี้เศร้าหมองไม่เบิกบาน ห่อเหียวตรมตรอมดังที่ปรากฏอยู่เป็นกิเลสบ้างเป็นความทุกข์บ้างครอบงำจิตใจนี้อยู่เป็นอันมากและกิเลสนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเนื้อแท้ของจิตใจ เป็นธรรมชาติของจิตใจแต่เป็นสิ่งที่จอนเข้ามาเหมือนอย่างเป็นอาคันตุกะคือเป็นแขกที่จอเข้ามาขออาศัยแต่ว่าอาคันตุกะหรือแขกคือกิเลสนี้เมื่อมาขออาศัยอยู่ในจิต แล้วก็ยึดจิตนี้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยไปไม่ปล่อยออกนี่คือกิเลสที่เป็นอันสวะอนุสัยคือที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตที่ํำเปยบเหมือนตะกรอนที่นอนอยู่ก้นตุม่มและ อาสวะอนุัสหรือตะกรกิเลสนี้เองก็ค่อยฟุ้งขึ้นมาในเมื่อจิตนี้รับอารมณ์ทางอาจตนะทั้งหลายคือทางอาจตนะภายในภายนอกประจบกันจิตก็รับเอา สิ่งที่มาประจวบกันนี้เข้ามาเป็นอารมณ์เป็นรูปารมณ์บ้างศัทธารมณ์บ้างเป็นตน้นก็เป็นที่ฐังของกิเลสกองราคะหรือโทสะบ้างโทโมหะบ้างเป็นทิฏฐังของกิเลสกองราคะหรือโลภะบ้าง โหสะบัางโมหะบัางมันเกิดขึ้นยัวเยาอยู่ในจิตรุมรุมจิตปล้นจิตทำจิตให้กระสับกระส่ายไม่มีสงบและกำบังถาดรู้ของจิตมิให้ได้ปัญญาคือตัวความรู้ในสัจจะที่เป็นความจริง การที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าจิตนี้ยังมีอวิชชาคือตัวความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันเป็นต้นเดิมของกิเลสทั้งหลายอยู่แม้ว่าจิตนี้จะเป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนคือผุดผ่องและแม้ว่าจิตนี้จะเป็น วิญญาณนะท่าคือท่านรู้แต่ความรู้นั่นก็ยังเป็นความรู้หลงเป็นความรู้ผิดเพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงจิงทำให้ความรู้นั่นเป็นความรู้หลงเป็นความรู้ผิดเมื่อเป็นดังนี้ เมื่อจิตนี้รู้รูปทางตาก็หลงอยู่ในรูปรู้เสียงทางหูก็หลงอยู่ในเสียงรู้กลิ่นทางจมูกก็หลงอยู่ในกลิ่นรู้รสทางลิ้นก็หลงอยู่ในรสรู้สิ่งถูกท่องทางกาย ก็หลงอยู่ในสิ่งถูกต้องนั้นรู้ธรรมะคือเรื่องราวทางมนโนคือใจก็หลงอยู่ในธรรมะคือเรื่องราวนั้นจึงได้บังเกิดกิเลสกองราคะความติดใจยินดีหรือโลภะความโลภอย่างได้เกิด <c oughs> กิเลสกองโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองและเพิ่มกิเลส ที่เป็นตัวหลงนี้ให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยเมื่อเป็นดังนี้จิตจึงไม่มีโอกาสที่จะเบิกบานหรือที่จะบานเพราะเหตุว่าทารู้ของจิตนี้ไม่มีโอกาสที่จะรู้สัจจะที่เป็นตัวความจริงยังถูกอวิชชาโมหะครอบงำอยู่ รอมทั้งกิเลส ท, ที่เกิดสืบเนื่องกันจากอาวิชชาโมหะนี้เป็นราคะโลภเป็นโทสะต่างๆดังที่กล่าวนั่นเพราะฉะนั้นจิตนี้ยังเบิกบานไม่ได้ประพัดสอนคือผุดพ่องไม่ได้เหมือนลังดอกบัวที่แม้ว่าจะเป็นธรรมชาติที่บานได้แต่ว่ายังอยู่ใต้น้ำ ยังไม่โผล่ขึ้นพ้นน้ำยังถูกน้ำปกคลุมเอาไว้ก็บานไม่ได้จิตนี้เมื่อยังถูกอวิชชาโมหะและกิเลสทั้งหลายครอบงำอยู่ก็เบิกบานไม่ได้ผุดพองขึ้นมาไม่ได้เช่นเดียวกันต่อเมื่อ ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนในศีลในสมาธิในปัญญาขัดเกลาอิเลสทั้งหลายให้ลดน้อยลงไป ตามกําลังของศีลสมาธิปัญญาเมื่อเป็นดังนี้จิตนี้ก็จะได้พบความเบิกบานขึ้นบ้างความผุดผ่องขึ้นบ้างเหมือนดังที่เมื่อมาตั้งใจปฏิบัติในศีลได้ปีติได้สุขในศีล อิเลอยางหยาบที่เป็นอกุศลละมูลทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ละเมิดศีลนั้นสงบลงจิตก็ได้ความสุดผ่องได้ความเบิกบานขึ้นโดยอำนาจของปีติสุขหรือด้วยอำนาจของศรัทธาปัสสาทะ ในศีลเมื่อมาปฏิบัติในสมาธิจิตได้สมาธิสงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะก็คือว่าสงบนิวรณ์ทั้งหลายได้ก็ได้ปิติได้สุขจากสมาธิ จิตนี้ก็ผุดผ่องก็เบิกบานขึ้นด้วยอำนาจของสมาธิที่ดีที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นศีลและเมื่อมาปฏิบัติในปัญญาขัดเกล้าเอาวิชาโมหะอันเป็นเหตุให้หลงยึดถือในตัวเราของเราให้น้อยลงไป อวิชชาโมหะลดน้อยลงไปก็จะได้ปีติได้สุขอันเกิดจากปัญญาละเอียดขึ้นไปจากสมาธิปรากฏเป็นความผุดพองเป็นความเมิกบานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา เป็นความบริสุทธิ์ผุดพองเพิ่มมากขึ้นไปโดยลำดับดังนี้เป็นขั้นของการปฏิบัติทุกคนก็ย่อมได้สภาพที่ผุดพองสภาพที่เบิกบานของ จ, จิตใจไปตามขั้นของการปฏิบัติ ดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติไปตามพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อมาตั้งใจจะลึกถึงประคุณของพระพุทธเจ้าแม้ในบทวะพุทโทในความหมายว่าภูเบกบาลดังนี้แล้วปฏิบัติทำศีลทำสมาธิทำปัญญาให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ แม้ด้วยการปฏิบัติตามสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตั้งจิตกำหนดพิ จ, พ จ, จรารณากายเวทนาจิตธรรมทำให้จิตนี้ได้สมาธิและได้ปัญญาเมื่อเป็นดังนี้ก็ยังจะพบกับความผุดพองและความเบิกบานของจิตนี้ ได้น้อยหรือมากตามควรในความปฏิบัติก็เป็นการปฏิบัติตามพระพุทธปฏิปพระพุทธปฏิปทาของลุกริอนจาวนั้นเองต่อจากนี้ก็ต่อให้ข อ, ข อ, ข, อขอให้ตั้งใจฟังสวรและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไปบัดนี้จกักแสดงธรรมะ เป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจน อ, นอบนอบนมัสการประปูมีประภาพอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า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 จะแสดงพระพุทธคุณนำในบทว่าพุโทที่ได้เคยแสดงแล้วในความหมายว่า พระภูรูพ้นพระภูตื่นพระภูเบิกบานวันนี้จะเริ่มประมวลความด้วย เรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งได้เคยอ่านพบประวัติของท่านที่เขียนเล่าเอาไว้ตอนหนึ่ง ว่าท่านไปพัก